บัณฑิตไม่ทำบาปพระพุทธภาสิทธณัตตะเหตุณปรสะเฮตุณปุตะมิเชณท น, นังณรทั่งณอิเชยยะอะธรเมเนณะสมิธิมัตโนสะซีละวาปัญญาวาธรรมิโกสียาความว่าบัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะปรารบตนหรือเพราะปรารบผู้อื่นย่อมไม่ปราถนาบุตรรับและแว่นแวน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 จึงควรกลัวต่อบาปสภาพจิตที่กลัวต่อบาปนี้ท่านเรียกว่าเิริคู่กับโอดตับปะความสะดุ้งกลัวต่อผลของบาปคนทาบาวไวมากย่อมมีถูกเป็นผลตอบแทนคนทําบุญไว้มากมีสุขเป็นผลตอบแทนเพราะฉะนั้นพระศาสนา จ, จึงทรงสอนให้กลัวบาปแต่อยากกลัวบุญเพราะความบุญเป็นชื่อแห่งความสุขเพราะพระเจ้าไม่ทรงสรรเสริญบาปไม่ไว่าจะทําเพราะเหตุใด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 อุบาสกคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีร้องเรือนโดยธรรมคือเป็นเครื่องหัดที่มีธรรมประจําใจเลื่อมใสพระรัตนตรัยมากปรารถนาจะบวชวันหนึ่งจึงบอกแก่พัญญาแต่พัญญาขอร้องไว้ว่าค่อยบวชเมื่อนางคลอดลูกในท้องแล้วเขาคอยเมื่อนางคลอดลูกแล้วและลูกเดินได้แล้วก็บอกลาเช่นนั้นอีก แต่พัญญาบอกว่าขอให้ลูกเป็นหนุ่มคอนเถิดเขาจึงคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรเสแล้วในการบอกพัญญาเพราะเธอห้ามไว้ครั้งแล้วครั้งเล่าจึงไม่ได้บอกลาพัญญาออกไปบวชเรียนกรรมฐานแล้วพยายามโดยติดต่อไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผลกลับมาเมืองสาวัตถีอีกเพื่อเยี่ยมบุตรและพัญญาเก่าบุตร ได้ฟังธรรมจากพิสุผู้เป็นบิดาแล้วออกบวชบวชแล้วไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลเหมือนกันฝ่ายปัญญาคิดว่าเราอยู่ครองเรือนเพื่อคนเราใดคนเหล่านั้นได้ออกบวชหมดแล้วจะประโยชน์อะไรของเราด้วยการอยู่ครองเรือนเราจะบวชเหมือนกันนางไปขอบวชในสำนักพิสุนีไม่นานนักได้สำเร็จพระอรหัตผล วันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในธรรมสภาว่ารรมิกะอุบาสกออกบทแล้วบรรลุพระอรหันต์ได้เป็นที่พึ่งของบุตรและพัญยาด้วยพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาบัณฑิตไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพื่อตนหรือเพื่อผู้อื่นโดยอธรรมพึงตั้งอยู่ในธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่ง ดังนี้แล้วตรัสพระภาษิทว่าณอัตะเตหตุณประสะัเธหตุเป็นอาทิมีนยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น